นะโมตัสสะตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมัสสะ a n a ปะนรสีลิวสนิปติทายะมุธะปริสัยะกากิธมิขทากยเต ปาดิโมขัปงะทาหิอิมัสะปริยาักษีัทโทสาชายสมันเตหิสกจังธัรมโมโซตบูตินวันนีเป็นวันบรรลุสีนิที 2 5คำแห่งปักธนาราและเป็นวันมหามาดเป็นกลางเดือนสามนับว่าเป็นวันระคัญเป็นส่วนพิเศษประจำสำหรับพวกเราชาวพุทธบริษัทผู้ที่มีความเคารพลนบนอบ ในพระพุทธศาสนาะวันนี้จัดว่าเป็นวันสำคัญในวันหนึ่งในเรื่องของพระพุทธศาสนาะดังนั้นเราท่านทั้งหลายตามก็ได้พากันลงวางระรกิจส่วนตนของตนมาร่วมชุมนุม สโมสรสันนิบาตกันยังโลกธรรมสภากแห่งนี้และประดพากันประกอบคุณความดีใส่ตนของตนโดยสมควรแก่การปฏิบัติมีการไถ่ทานได้แก่ถวายอาหา ร, หรบิณฑบาตแก่ภิกษุสมมเณร อันเป็นส่วนพิเศษตลอดถึงได้พากันมาสักการะบูชาซึ่งพระรัตนตรัยด้วยเครื่องสักการะประรามิตรมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นยิ่งกว่านั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้เพิ่มพูลเหต เพื่อให้เทเลนิ่งอันส่วนเป็นวิบากกับผลด้วยการสมาทานซึ่งเป็น เ, เวิราวิรัตบงังอุโบสถสินบัางตลอดถึงเราท่านทั้งหลายจะได้ทากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการอบรมกายวาจาจิตของตนอันเป็นส่วนพิเศษ เพื่อจะนอมถวายให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังับูชาซึ่งเราทั้งหลายได้ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาวันนี้นั้นได้แต่เป็นวันเป็นเดือนสามมาคมาสย่อมเป็น วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยที่เราจะกำหนดหมายเอาได้โดยย่อเป็นสามประการขึ้นเป็นวันที่พระองค์ได้ถือโอกาสประทานพระโอวาทซึ่งเราเรียกว่าโอวาทพระปฏิโมกข์มุขฆ่าก็หมายถึงพระพระองค์ทรงสแสดงโดยเราด้วยพระองค์เอง ีเนื้อหาของคำว่าโอวาทปฏิโมกนี่มีความสำคัญอย่างไรโอวาทปฏิโมกนั้นโดยความหมายแล้วก็คือเป็นคำสอนของพระพุทิยาวซึ่งพระองค์ทรงประทานเองตามเห็นว่าเป็นการนันสมควรหรือเป็นการคิดหมอก มีความหมายที่สำคัญโพวาพปฏิโมกนั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาข่าวคือคำสอนนั่นเองมันดาคำสอนทั้งหลายย่อมรวมลงสู่ในคำว่าโพวาะวาพระปฏิโมกขทั้งสิน้นจะด้วยเป็นัรสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระประมาท หรือพระพิธรรมก็ดีย่อมแผ่กระจายออกไปจากคำว่าพระโอวาสนีทั้งสิน้นแล้ววาสนี้ได้ชื่อว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาคำว่าแก่นนั้นเราทุกท่านก็ย่อมจะเข้าใจย่อมเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งและมั่นคงว่า เนื้อหาที่ไม่ใช่แกนถ้าจะพูดถึงไม้ก็หมายถึงกะเพรื้หรือเปลือกสกิของมันซึ่งมันหุ้มอยู่รอบนอกของแก่นคำว่าแก่นมันอยู่ภายในที่สุดแล้วมันก็มีคุณค่าของมันแข็งที่สุดในบรรดาในเนื้อไม้ต้นนั้นอันนี้ชั้นในกดก็าาดีคาว่าโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เึ่จะมีเนื้อหานำมากล่าวสู่กันฟังในโอกาสาาขบนาพ่อฉันนั้นเหมือนกันโอวัตนนิโรงทรงประธานในวันนี้ณพระเจตวันมหาวิหารในท้ำกลางแห่งภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รลูกและจำนวนภิกษุโดยมีประมาณนับได้ดังกล่าวนั้นรวนแล้วแตเป็นเอหีภิกษุ ได้ทรงประทานการอุปสมบทจากโครของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นและก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระเรียเจ้าเป็นพระหันผีนาศทั้งทั้งสิ้นเรื่องประการหนึ่งพระหันทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาร่วมชุมนุมกันโดยขนาดนับได้ 1,250 รูปนั้น 1,250 รูปนั้น การมาของท่านจากทิศทั้งสี่ทั้งใกล้และไกลจากพระเทตวันมิหามหาวิหารนั้นโดยไม่มีการนัดหมายต่างฝ่ายต่างองค์มีวัตถุมุ่งประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเพ ร, ะเราะแต่ละท่านได้จาริกจากพระพุทธองค์ไปเพื่อประโยชน์เพื่อกุล แก่เวนในนิกายชนทั้งหลายทั้งปวงกล่าวคือไปเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแสดงธรรมแนะนำพัมสอนอบรมจนนิกรทั้งหลายทั้งปวงให้ได้เกิดมีศรัทธาความเชื่อภาษาธาความเรื่มใสผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาภาษาธาก็ยังศรัทธาภาษาธาให้เกิดขึ้นผู้ที่มีศรัทธาภาสาธาอยู่แล้ว ก็เป็นเหตุให้เจริญศรัทธา菩าธายิ่งขึ้นเมื่อจากไปนานต่างฝ่ายต่างก็ล้ำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ใข่ต่อการที่จะเข้าเฝ้าพลันต่างคนต่างมามีรวมจิตรวงใจมุ่งสู่จุดเดียวกันหมายถึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยไม่มีการนัดหมายก็จึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่า ง, งการที่ ถ้าสอ ง, องค์พระเจ้าพระรหัสล้ว น, นแม่ปุถุชนไม่มีเจือปนอยู่เลยแม้แต่หนึ่งท่านในมาร่วมชุมนุมกันจำนวนเป็นพันพันโดยไม่มีการนัดหมายก็ควรจะถื อ, อว่าเป็นเรื่องที่น่าอาจจัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมาถือเอาเหตุแห่งความอาจจัศจรรย์และยกขึ้นมาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ก็พอที่นตนดนับหมายได้ว่าหนึ่งพระพุทธิจาพระองค์ทรงประธานพระ โ, โอวาสปฏิโมก ค, คือหัวใจของกระสศาสนาในวันนี้ 2. พระหันจำนวนหนึนรรูปมาประชุมยังประเจตวันโดยไม่มีการนัดหมายและ3ล้วนแล้วแต่เป็นพระันขี่นายศ ได้ทรงประธานการบวชเป็นพิศสุขขึ้นในพระพุทธศาสนาจากโอษของพระพุทธเจา้าคือเอหิภิกขุด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นอาศัยเหตุทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญในขณะวันเดียวกันจึงถือว่าเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ดังกล่าวนี้ ก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญโดยทั่วไปแต่ความสำคัญอย่างยิ่งนั้นเพื่อในแกโอวาดคำสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญจัดว่าเป็นหัวใจของระศาสนาหรือแก่นแท้ของระศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีความฝักใฝ่สนใจ ไค่ที่จะระดับรับฟังเพื่อเกิดเป็นความรู้ประดับกายและจิตของตนและไข่ที่จะมุ่งจิตมุ่งใจของเราให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาในแก่นแท้นั่นเองเ ห, อเหมือนกันหมดเพราะนั้นปรากฏเป็นคำสอนที่ทยกขึ้นมาที่กล่าวสู่กันฟังเพื่อจะเป็นการชลองศรัทธาของพวกท่านทั้งหลาย เมื่อเรามีศรัทธาแกรกล้าใครที่จะน้อมนำก็ไปประพธปฏิบัติอบรมกายวาจาจิตของตนทันเป็นส่วนพิเศษเพื่อจะพุทธเป็นการพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาเนื่องในวันสำคัญดังที่กล่าวมาแต่นี่เนื้อหาของธรรมะโดยย่อในโอวาทนั่นข้อที่หนึ่งนั่นท่านยกเรื่องของขันติ ขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวดฒนติบุตขะนหิปปะิตโตปรูปขาติสัมโนติปังเทตยันโตสัพปะปัสสะอักรนังกุสระสุภสัมปดาสจิตตปริยดะปานังอิตังบุทถาณาสังนังอนุวานอนุปขาโตปาิโมเขจะสงวโรมัตตัญุตาจะพัตตสง ปันตัญจะตศยนาสนังอดิติเตยายุโภอีตังบุททานะาสนันติหรือสากสนัซึ่งแปลเป็นใจความว่าขันตีประมังสโพติดิาขันติก็คือขันติขันติก็แปลว่าความอมดทนบุคคลบางเราย่อมยกย่องว่า เป็นธรรมมันประเสริฐนิพพานังประมังวดันติพุท ธ, ธาท่านผู้รู้ทั้งหลายยอมล่วนิพพานคือความดับเย็นสลิดเป็นของรรประเสริฐนั่พอภิโตก ร, รูปะคาตีสมณะไม่พึงฆ่า คนหรือสัตว์อื่นพึงซ้ำรวมซ้ำวรกระทำบำเพ็ญจิตของตนให้ยิ่งการไม่ทำบาปทั้งปวง ก, การยังกุศลในถึงพร้อมการชำระ จ, จิตของตนในฝ่องแพ้วจากความโลภโกรธหลงการไม่เข้าไปว่าร้าย ปายสีบุคคลผู้อื่นอรูบาโลอรูปคาโตการเขาไม่ไปเบียดเบียนทำลายผู้อื่นปฏิโมกเทขสรังโวโรพึงสํารวมในภาพปฏิโมกปฏิโมกหมายถึงศีลปริสุทธิ์ศีลสีสอินทรียสังวรยาศีนสํารวมอินสีส ปฏิโมกขสังวรและสินสังรวมในสิน5้าสินแปดสินมบทสิทธิสองร้อยยี่สิบเจ็ดปจัจญาปัจวิธขณะนิ้สิตาสินการพิจารณาและจึงบริโภคปัจจัย4มัตตันิต า, าเป็นผู้รู้จักประมาณในพัด คือการรับทานการขบฉันการบริโภคโภคใด้สอยปัจใจสีแต่ น, นี้ท่านยกห้างขึ้นมาเพียงแค่ว่าพัดหมายถึงก้อนข้าวเป็นประทานเป็นใหญ่เท่านั้นปันปันจัสมนาสนังเป็นผู้ที่นิยมอยู่ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอันสงัด งองกเงียบไม่คุดด้งีด้วยหมูด้วยคณะอธิจิตเจายโยโกเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีสติตามประกอบอธิจิตอธิสินอธิจิต อ, ธ, ตอธิปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อกล่าวสั้นๆก็หมายถึงว่า เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นส่วนพิเศษในการประกอบกิจในหน้าที่ของตนและเห็นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าอื่นใดทั้งสิน้นจึงสมในที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าบุคคลไม่ควรพาประโยชน์ของตนแม่เพราประโยชน์ผู้อื่นเพราประโยชน์ผู้อื่นแม่มากเมื่อรู้จักประโยชน์ของตนแล้วก็พึงขวัญฝายแต่ในประโยชน์ตนเท่านั้น เพราะนั้นในธรรมะขอ้อนี้ท่านเชิดแสดงให้เห็นว่าให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายไม่ไว่าเป็นจะเป็นภิกษุสา ม, มนเณรนุบาสกุบวาสิกตาผู้ฝักใฝ่ไข่ต่อสันติคือความสงบทั้งส่วนกายส่วนวาจาและส่วนจิตเจนวินตามรอยของข้อวัดปฏิบัติคือสินสมาธิปัญญาคือทานสินภาวนาอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเรา ลรพวกควรที่จะต้องมุ่งตั้งหน้าตั้งตาประกอบกระธรรมบำเพ็นหน้าที่ของเราให้เกิดขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม่บกพร่องได้เป็นการดีถ้ามันจะขาดตกบกพร่องย่อหย่อนลงไปเพราะเจียเวลาเจียรติกำังไปเพื่อประโยชน์ภายนอกหมายถึงประโยชน์ผู้อื่น ในศาสนานีในธรรมะคําสอนข้อนี้ท่านบอกไม่ควรทำอย่างนั้นการทำอย่างนั้นเป็นเรื่องของการที่ไม่ถูกต้องเป็นการเนินชาในการประกอบความภาคความเพียรแสวงหาคุณงามความดีใส่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นในคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานเป็นพระโอวาทนั้น ก็แรกท่นยกเอาขันติคือความอดทนความอดทนความอดกรั้นรู้จักกดคมจิตใจของตนเพื่ว่ามีธมรรมะทมตอนนี้เมื่อเราจะที่ถึงความอดทนมันก็จะมีอยู่ในลักษณะสมการ้วยกันหือสามมารา ด, ดับไกันเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกก็ย่อมจะประสบกับปัญหาความทุกข์ความยากความลำบาก ทั้งส่วนภายนอกทั้งส่วนภายในทั้งในส่วนตนและเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้อมจะเป็นมนุษย์และสัตว์ก็ตามหรือไม่ใช่มนุษย์และสัตว์ก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับเราใครก็ตามใครก็ตามไม่มีประมาณและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราปึงประสงค์และเอืออำนวย เกิดมีขึ้นเพื่อจะตอบสนองความต้องการในหัวใจของเราสำเร็จโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้ตรงกันข้ามแม่สิ่งเหล่านั้นก็ย่อมจะทำความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากวุ่นวายให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราได้เช่นเดียวกันเพราะเหตุ น, นี้จะนับภาษาอะไรที่พวกเราที่จะจมอยู่และหมกมุ่นมัวเมาแสวงหา เรลี้ยงที่ไม่ได้มีความสนใจในทางพระพุทธศาสนาศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราสนใจกันอยู่ในขณะ น, นี้แม้แต่พวกเราได้เสียสละอะไรลงไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ภิกษุสา ม, มนเณรเป็นผู้เสียสละหมดโลกทั้งยศทั้งตาแหน่งทั้งผลประโยชน์ทั้งความสุขความสวยความงามทั้งความเป็นปูอัอตภาพหลับตาย สิ่งดังกล่าวโดยย่อดนี้รุนแรงแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพึ่งปฎถนาเพราใครมีมันไว้มากๆยังเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกถึงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความเจริญมีความสุขมีหน้ามีตามีเกียรติมียศสิ่งเหล่านี้มีใครบ้างที่จะไม่ต้องการและปรารถนาจะนับภาษาอะไรแต่พวกเราทึ่งเป็นคนดีที่ต้องการและปารถนาคนเร็วมันก็ต้องการคนชั่วมันก็ต้องการ เพราะมันเป็นของดีถึงแม้มันจะทำไม่ได้ก็าตามคำว่าดีนะันมันก็ต้องการทาั้งๆที่มันทำชั่วอยู่อย่างเต็มตัวก็ตามเถิดนี่คือหลักความจริงอันหนึ่งของความรู้สึกของผุ้ทุชนเราเพราะฉะนั้นแม่พวกเราท่านทั้งหลายในเสียสละาภารากิจด้มุ่งหน้ามาสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเราก็คงไม่พ้นจากอุปสรรค เราคงไม่พ้นไปจากที่เราจะต้องใช้คู่มือลรืออุปกรณ์แห่งธรรมะคือขันตินะ่ามะมาใช้คือเราต้องนำความอดทนมาใช้เป็นเครื่องประดับายของเราประดับจิตของเราถ้าเราไม่มีขันติคือความอมดทนหนดกัน้นทั้งส่วนภายนอกภายในแล้วเนะี่ยแม้แต่สิ่งที่เราได้รับปล่อยวางมันมาชัว่วผูขนาหนึ่ง มันก็จะตามมาบรบกวนให้เราเกิดได้รับความไม่สบายใจคือนั่งไม่สงบฟังถ้าพูดธรรมะไอ้ฟังก็ไม่รู้เรื่องแม้จะจับเพ่งลงไปในจิตใจคือดวงผู้รูของตนก็ไม่เห็นว่าเวลานี้มันคิดอะไรอยู่มันจมอยู่คลุกคข้าอยู่ในอารมณ์อะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่าปั่นกลางละเอียดอย่างไร มันอยู่ในตัวหรือนอกตัวไม่รู้ทั้งนั่นแหละนั่นเพราะขาดคุณธรรมคือขันติขาดธรรมธรรมคือความข่มใจของเจ้าของข่มใจของเราให้ลงสู่กิจกรรมที่จะบริหารจิตใจของเราให้จเจริญสมจริงดังที่เราต้องการแต่แก่พุทโธธรรมโมสังโฆหรือกาหนดรูลมหรือกระดดอยู่ในกายเราไม่สามารถที่จะข่มใจของเรา บง nom, tha, đ đ è, ang, ếu, ังคับใจของเราน้อมใจของเราให้ไปสู่ปฏิปทาเรื่องดำเนินในแก่สกลรกายโดยกว้างหรือโดยย่ออย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าเรามีไม่มีความหมดทนไม่มีความหมดทนบุญกุศลทางกายก็ไม่เกิดขึ้นสิ้นเราก็รักษาไม่ได้สิ้นห้าก็รักษาได้ใหม่บริสุทธ เนแป ก, ปก็ไม่บริสุทธร์คำมบรด0ก็ไม่บริสุทธิ์227ก็ไม่บริสุทธิ์ใจของเราก็เกิดอกุศลเจริญแล้วด้วยอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาใจไม่ตั้งใจไม่เที่ยงไม่ตรงต่อเป้าหมายที่เรามุ่งและประสงค์ไวเมื่อเป็นเช่นนี้คำว่าปฏิบัติบูชาในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ก็หมดโอกาสมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขันติแปลว่าความอดทนอดทนประการแรกนั่นท่านเชใ่้เราได้เห็นว่าอดทนแต่ความตราบดำเพราะคนเราเกิดมานั่นจะอยู่เฉยๆมันก็มีชีวิตเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องกินไม่ต้องใช้มันก็อยู่ได้ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ สริล่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสีได้ชื่อว่าเป็นครูหาถ้ำถ้ำคือคูหาเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณมันเกิดจากธาตุสืบเนื่องมาจากธาตุของพ่อของแม่ธาตุมินธาตุน้ํ า, าของพ่อของแม่ผสมผสานกันโดยมีพระผู้เป็นเจ้าคือกรรมบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งเป็นตัวสร้างสรรค์รูปร่างสิริล่าร่างกายนีย่จะเป็นยิ่งก็าตามเป็นชายก็่าตา และดวงวิญญาณนั่นก็เข้าไปสิงสถิตอาศัยอยู่เมื่อร่างกายที่อยู่ที่อาศัยของดวงจิตมันเกิดจากธาตุมันจะเป็นอยู่มันก็จะต้องเป็นอยู่ได้โดยอาศัยธาตุเองเหมือนกันข้าวน้ำโภชนาะหารเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็เป็นเรื่องของธ า, า, าตุเอาธาตุเติมธาตุชีวิตของเรามันจึงอยู่อยู่ได้ถ้าไม่เติมให้มันสักเวลาหนึ่งสองเวลาผ่านไปมันเกิดทุกเวทนา เกิดความหิวความห้อยความหิดความโยถึงจะมีกำลังวังชาเข้มแข็งมันก็ลดน้อยถอยลงไปถอยลงไปทําไมให้มันเลยนานเข้านานเข้าหลายวันหลายเดือนเข้ามันกเ็เลยตายาถ่าแตกขันแตกอยู่ไม่ได้บ้านแตกเมืองพังวิญญาณก็เลยร่อนไปตามเรื่องตามบุญตามกรรมทีนี้เมื่อกิน เมื่อกินแล้วมันก็จําเป็นต้องหาเรามองโดยที่ว่าการหาจะหาอยู่นั่งอยู่บนเก้าวี้หาอยู่ในร่มอยู่ในห้องแอรก็ตามเราจะหาเดินต๊อปท๊ไปทั่วบ้านทั่วเมืองจากเลือจดใต่จากตะวันตกจบตะวันออกทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตามไม่ว่าเราจะหาแบบเป็นกรรมกรเลี้ยงชีวิตด้วยการอาศัยแรงงานของเจ้าของ นักเทาเบาสู้กสิกรรมในก่นการทำไร่ทำนาทำสวนอุตสาหากรรมในแก่โรงงานต่างๆพาณิชยกรรมทำมาค้าขายซื้อถูกขายแพงในที่สุดเป็นลูกจ้างของรัฐเราเรียกว่ารัฐบาล น, นับจำเิมตั้งแต่ผ่านโลงถึงนายกรัฐมนตรี นั่นต้องทำงานทั้งนั้นเพื่อผลให้ได้มาซึ่งปัจจัยสีมาประดุมชีวิตของเราให้ดำรงทรงอยู่แต่นี้เรามองถึงภาพพบของคำว่าทำงานซิถ้าเราไม่มีขันติธรรมเป็นเครื่องประกอบแล้วมันก็ไม่สำเร็จทำอะไรลงไปก็ตามเถอะแม้แต่นั่งเทศอยู่บนธรรมานี้ไม่ใช่ว่ามันก็จะสบายนะมันทุกข์เหมือนกันมันต้องเจ็บต้องปวดต้องเมื่อยเหมือนกัน พวกเราผู้ฟังก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะฟังแล้วสบายได้มักได้ผลได้ปีติเกิดความเมื่อยบีมมันทุกเนืมันทั้งปวดทั้งเมื่อยเมื่อยทั้งใจเมื่อเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจทําไมยิงว่าใจเมื่อยเมื่อยประคับประคองมันเล่าเลาเล่าเล่ามันก็ไม่ยอมอยู่เราบอกให้มันฟังมันฟังมันก็ไม่ฟังมันวิ่งไปข้างหลังไปไหน ไปหาสิ่งที่เราจากมันมานั่นแหละไปในอนาคตบ้างอยู่อย่างนั้นแหละลกไปวนมาเงินทีนี้ในฐานะเราเห็นว่าไม่ควรจะให้มันไปเอาก็ไปป้ัากับมันที่ทนี่ไปต่อต้านกันบ้างไปเนียวรั้งกันไว้บ้างอะไรต่อมีอะไรนี่แหละคำว่าขันติคือความอดทน อดทนต่อความตรากตั้เพราะเราจะได้อะไรอะไรมานั่นน่ะไม่ใช่ไปถึงแล้วจะไปหยิบไปฉวยเอามาได้เลยบางสิ่งบางอย่างเราลงทุนลงรอนไปเมื่อยไปเสียทรัพย์ไปต้องหลายเดือนเป็นปีกว่ามันจะมีผิดผลตอบแทนให้แก่เราเห็นไหมถ้าเราไม่มีความอดกั้นอดทนพอมันก็จะกลายเป็นผีทองเหลือง สร้างอะไรขึ้นมาพอจะได้มีบุญวาสนาอยู่ดีกินดีคนไม่มีวาสนาถ้าทําไร่ทํานาพอมันจะเตียนหน่อยปลูกดําหวานได้สบายๆมันหมดบุญวาสนาที่ที่ได้คลองขายเสียไปอินดีผลประโยชน์เพียงเล็กๆน้อยๆและระยะสั้นนี่ก็เรียกว่าพวกปีต้อเรลืองเข้าป่าทางป่าต่อไปพอมันจะเป็นบ้านเป็นเมืองเหอะขายเสีย เข้าป่าต่อไปผู้มีบุญวาสนาเขาซื้อห้าขายเป็นล้านทำไมเขาจึงจะเป็นสิทธิีไม่ได้หรอน่แหละโทษของความไม่มีขันติโทษของการไม่มีขันติคือความอดทนตลอดกาลมันเป็นอย่างนั้นมันย่อมยัำความประโยชน์ที่ดีมันจึงไม่เกิดขึ้นมีขันติคือความอดทนต่อความาตาม่ำตํา ขันตีนคือความอดทนต่อทุกภเวธนาที่มันเกิดขึ้นเพราะโาครคภัยไข้เจ็บเรามีธาตุมีขันมีอายตนะก็ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะบริสุทธุดผ่องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพยากิน้อยใหญ่เยิ้มกับเจ็บน่นเป็นนี่มันเจ็บอยู่เป็นนิด เป็นประจำอยู่ก็มีนั่งนานมันเจ็บยืนนานมันเจ็บเดินมากมันเจ็บนอนมากมันเจ็บเห็นไมหมรัเจ็บก็คือมันทุกข์นั่นแหละทีนี่เราสามารถนั่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงน่ะอะไรไม่ใช่เพราะอานิสง์หน้าที่ของธรรมะคือขันติดลบหลือเราจึงนั่งอยู่ได้เนี่ยคือขันติเกิดจากโลกภัยไม่ใช่เพราะอนิสงศ์ หน้าที่ของธรรมะคือขันติดอกหรือเราจึงนั่งอยู่ได้เนี่ยคือขันติเกิดจากโลกภัยไข้เจ็บท่นี้โลกมันมีมากนะถ้าเราจะไปมองทุกโลกหัวใจโลกแห่งความโลภความอยากไม่มีที่สุนที่สิ้นที่สุดที่ประมาณโลกแห่งความโกรธความเกลียดความพยาบาตบานคาตจองเวรซึ่งกันและกันโลกคือความไม่รู้ อะไรจะเกิดขึ้นถูกผิดชั่วดีไม่รู้ทั้งนั้นนั่นมันเป็นโลกร้ายที่สุดโลกหิวโลกกระหายด้วยอำนาจของที่ริกระหายต่อความดีกระหายต่อความชั่วต่อความถูกความผิดนั่นลองพิจารณาดูให้ดีของเราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นจนมากเกินไปก็เพราะเรามีคันติธรรมมีความอดกัน้น ไว้ในจิตใจของเราควบคุมจิตใจของเราต่อต้านสิ่งที่จะมาควบคุมจิตใจของเราชักจูงจิตใจของเราให้เป็นไปสู่อารมณ์ที่ไม่ดีนี่ประการที่สองประการที่สามามีความอดทนต่อวาทะใน แ, แก่คาพูดคือเสียงจะเสียงมนุษย์เสียงสยัตว์เสียงดินฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศก็ตาม มันกระทบแล้วให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่สบายกายเกิดความไม่สบายใจนี่เราก็ต้องใช้ความอดความทนเพราะฉะนัะ้นขันติแปลว่าความอดทนอดต่อความตากรรมอดต่อความวาทะคือวาจาอันนไม่เป็นที่สบอารมณ์อดทนต่อทุกขเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นนี่เรียกว่าขันติ เมื่อเรามีขันติเป็นเครื่องประดับเราจะต้องการอะไรต้องการมักได้มกักต้องการผลได้ผลต้องการโลกีธรรมก็ยอมจะได้โลกีธรรมต้องการโลอุตรธรรมมันต้องได้หากเรามีคันติธรรมเป็นเครื่องประดับกายประดับจิตของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วกำลับคู่อยู่กับผ้าของการปฏิบัติข้อวัตรนั้นมันก็ต้องสำเร็จ นิพพานะท่านแปดหมายถึงความหลับเย็นสนิทนั่นหมายถึงความหมดจากกิเลสเป็นเครื่องลบควนก่อควรถ้าว่วเรามีขันติธรรมเป็นเครื่องประดับจิตสามารถปราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ลาบคาบลงไปได้ถึงมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นอยู่ก็ตามมันไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้ ความสร้างหมอให้เกิดขึ้นทางกายก็ไม่ได้ทางวาจาก็ไม่ได้ทั้งจิตใจก็ไม่ได้นั่นแหละคือนิพพานเมื่อจิตของคนเราเป็นนิพพานแล้วนะคุณธรรมต่างๆไปเครื่องประกอบนั่นจะพังครูลงมาอีกเพราะนั้นนิพพานจึงเป็นแหล่งที่รวงของธรรมะรุ่นแล้วจะเป็นของดีๆที่จะต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีให้กระจัดกระเจิงออกไปเหลือแต่คุณธรรมที่ดี แม้แต่คุณธรรมที่ดีนั่นก็ไม่มีอยู่ในนิพพานอันนี้และเหตุผิดบรรปะิตไม่พึงทำลายบุคคลผู้อื่นไม่พึงฆ่าการเป็นสมณะหรือสมบรรปะิตนั้นไม่พึงแสดงอกับขียากายวาจาออกไปในลักษณะสอแสดงถึงความโหดร้าย เป็นผู้มีจิตใจที่โหดร้ายเยี่ยมเกมอัมริตได้แก่การตบตีทำลายถึงแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เหมาะสมกล่าวร้ายป้ายสีบุคคลผู้อื่นกล่าวคำหยาบคำเฟอ้เ อ, อเชอรอส่อเสียดผู้ที่ยิยมการกระทาที่ แสดงถึงลักษณะที่โหดร้ายกล่าวาจาแสดงถึงความที่หยาบคายไม่เชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตหรือว่าเป็นสมณนะขึ้นชื่อว่าสมมานั่นจะ ต, ต้องสมรวมสงวนายวาจาจิตของตนให้ห่างไกลจากความหยาบคายหรือสอแสดงถึงความโหดร้าย การไม้ทำบาปทั้งปวงขึ้นชื่อว่าบาปและจะเป็นบาปภายนอกก็ตามภายในก็ตามเป็นสิ่งที่เราจะต้องงดเว้นถ้าเป็นเรื่องที่เราจะงดก็ต้องงดเว้นก็ต้องเว้นละก็ต้องละอย่าให้มันเกิดมีขึ้นในใจทวารของเรากายทวารวจีทวารมโนทวารตาหูจมูกิ้นกายแย้มมันเป็นบอ่อเกิดและที่ตั้ง ของคำว่าป่าจงให้มันเป็นที่ตั้งแต่บุญกุศลโดยสุนเดียวบุญให้มันเกิดขึ้นดูอะไรก็มันเย็ยนตาฟังอะไรก็มันเย็ยนหูรู้อะไรก็มันเย็ยนใจนี่กล่าวง่ายๆพึงชำระจิตใจของเราให้ผ่องใส อะไรมันทําให้จิตของเราขุ่นบัวความโลภความโกรธความหลงนั่นได้ชื่อว่ากิเลสนั่นแหละเราต้องควบคุมจิตใจของเราจิตใจที่เราจะควบคุมเขาได้นั้นสติเครื่องที่จะควบคุมจิตใจของเราบริหารชีวิตของเราให้ทนเสียจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวง ดำเนินแต่ในทางที่ดีสติตัวเดียวสติแปลว่าเครื่องระลึกรู้เราเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอเมื่อเราเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอก็เท่ากับว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ไม่หลับเมื่อไม่หลับเป็นผู้ตื่นอยู่ภัยมันก็ไม่เกิดบาปมันก็ไม่มีอันนี้หมายถึงว่าสัมมาสติสติชอบในการระลึกชอบ คำว่าระลึกชอบนั้นถึงเราจะระลึกถึงเรื่องของกิเลสแต่เราไม่พยายามที่จะน้อมจิตของเราให้ไปเกิดรั่วตึกกิเลสแต่ระลึกเพื่อรู้จักหน้าที่ของกิเลสเหตุผลของกิเลสการระลึกโดยการมีสติอย่างนี้ย่อมเกิดประโยชน์เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของบุคคลผู้ที่ตามรู้ตามอีกนนะส่วนการระลึกถึงคุณความดีได้แก่คุณของพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้ทรงรที่ไกลจากกิเลสตัดสู้ได้อย่างแท้จริงหมดกิเลสอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องของความดีมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถึงเราจะลุกและลึกถึงอดีตของเราตั้งแต่เมื่อ ว, วานนี้เราได้ด่าเขาได้ทำลายเขาเบียดเบียนเขาคดโกงเขาได้โกรธผู้นั้นได้เกลียดผู้นี้อะไรต่อเมื่อไร เมื่อเรามีสติตามระลึกรู้แล้วแลลุกเพื่อสอนตนอบรมตนรละลึกเพื่อให้เห็นว่าเรานี่ยนะได้พติกระทำในพูดด้คิดในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแก่ภาวะคือความเป็นของตัวตนเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งเป็นการกระทาที่น่ารังเกียจเราจะได้เลิกเสวนากับ อารมณ์เช่นนั้นเราจะได้ถอดถอนความนิยมที่มีมาแต่ในการไหนๆก็ตามออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเสียและรวบรวมความนิยมในสิ่งที่เสียนั้นมาสู่ในความนิยมที่ดีมันไม่ดีหรือนี่ให้พากันพิจารณาการชำระจิตใจของเราให้โปร่งใสเมื่อจิตใจของเราโปร่งใสป่าศจากเหตุ แม้แต่จะสงบลงไปด้วยวิคัมปนาวีมุตดคือหลุดพ้นกันเพียงแค่กดข่มด้วยอำนาจของสมาธิฌานคือเพียงแค่จะวิตกบวิจารณลลึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตของเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไม่วอกแวกไปไหนจิตของเราก็พ้นแล้ว ม, มุติหลุดพ้นแล้วจากบาปในชั่วขณะที่ตลอดเวลาที่จิตของเราอยู่ในอารมณ์ของสรมมัา ตลอดเวลาที่จิตของเราเพ่งและแน่แน่วอยู่ในจุดนั้นนั้นในชื่อว่าเป็นจิตที่พ้นจากเครื่องเศร้าหมองแต่พอจิตของเราออกจากจุดนั้นแล้วมันก็กลับเข้ามาสู่อารมณ์และเหตุการณ์เศร้าหมองอย่างเก่าแต่นี้เมื่อเราพยายามขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวของเราเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากทั้งการกระทามากทั้งการเวลา มากทั้งการรักษามันก็จะต้องมันก็จะยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราสามารถทำได้ทั้งวันมันก็บริสุทธิ์ทั้งวันบาปมันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นอนูปวารโดนุปาคาโตนี่เราไม่ควรที่จะเข้าแต่ว่าไลา่ไปสีบุคคลผู้อื่นเขา พวกเราดูภาคพภาวะภายนอกก็บอกถึงว่าต่างคนต่างเป็นผู้มีสินมีสัตว์สินคือความสำมรวมกายคือความปกติกายวาจาสัตว์คือธรรมะนี่เพราะฉะนั้นคำว่านุปวาโดนุปคาาตการไปว่ากล่าวผู้อื่นในทางที่ผิดมีกล่าวไร้ป้ายสีมีการ แอบอ้างผลงานของบุคคลผู้อื่นมาเป็นผลงานของตัวมันก็ไม่น่าจะมีในภาวะอย่างพวกเราเป็นพราเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีแต่มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพราะโทษของการที่ไม่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะทําอะไรก็ลืมตัวจะพูดอะไรก็ลืมตัวจะคิดอะไรก็ลืมตัว บางทีตัวไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดคนอื่นเ้าทำเขาพูดเขาคิดก็ไปคว้าผลงานของเขามาเป็นของตัวเสียคือมันทำไปได้ทุกรูปแบบนั่นแหละคนขาดสติคนสำคัญตนมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนพระพุทธเจ้าท่านยังตล่าวว่าเราเป็นผู้มีสินมีธรรมนะเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เอาธรรมนะไปให้เขา เราไม่พึงไปว่าไายไป้ายสีบุคคลผู้อื่นไม่พึงไปทำไล่ซึ่งกันเล็ ก, กันใครเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคจับใจใช้สอยปัจจัยสีเพื่อบาดุงชีวิตของตนเราจะบริโภคปัจจัยสีก็เพียงเพื่ อ, อนุเคราะห์พรหมาจรรย์หวังความบริสุทธิ์เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะบริโภคอุโภคปัจจัยสีเพื่อหาความสุข ถา erm ความประเสริฐความะเลิศจากการยินการกินการอยู่การใช้การสอยปัจจัยสีทั้งหลายเหล่านั้นให้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดเราทุกคนเป็นผู้ที่เสียสละโลกแล้วมุ่งต่อสันติคือความสงบสงบจากบาปทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นในกายวาจาพยายามฝันฝ้ายเพื่อความสงบจากอกุศลในทางจิตของเรา มีความโลภความโกรธความหลงนี่คือหน้าที่ของเราสิ่งที่เราจะพึงมุ่งอื่นอกจากนั้นไม่ใช่มันเป็นเครื่องที่พอกทูนมันเป็นเครื่องที่เพิ่มทูนตกปักรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เราจะพึงกําจัดได้แก่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งอกุศลในจิตใจของเราให้ดํารงทรงอยู่และจะยืนีิ่ขึ้นไม่รู้จักหมดจากสิ้นจากเบาจากบางลงไป ฉะนั้นความสงัดวิเวกจึงเหมาะสำหรับแก่พวกเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่ ท, ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาช่วผู้ชั่วยามนี้ก็เพื่ออะไรเพรเห็นว่าวัดมันสงบวัดมันสงัดสงบสงัดอะไรอยู่ในวัดก็สงบทั้งนั้นแหละคนอยู่ในวัดก็สงบเอาเถอะถึงแม้ว่าจะ สินบริสุทธ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างยังด่างยังคลอยกันอยู่บ้างก็ตามมันก็ยังดีอยู่นั่นมันก็ยังสงบกว่าสี่แยกหรือตามถนนลนทางมันก็ยังสงัดกว่ากันอยู่นั่นเพราะเหตุนั้นเราจึงนิยมมาวัดเพราะเราอยู่บ้านมันหาความสงบไม่ได้หามุมสงบไม่ได้หาความสงัดไม่ได้หาความวิเวกไม่ได้เราจึงมาวัดพอก้าวเข้ามาในวัดนี่เออ บางผู้บางคนจะลอรุ่มกุ่มมาก็ต า, ามมันดับหายไปปรากฏมันล่วงหล่นไปตั้งแต่เมื่อไหรไม่ทราบก็เข้ามาในวัดจะมีแต่ความเย็นสบายกายก็เย็นใจก็เย็นใจก็กอดตรงกายก็กอดตรงความตึงเพียรแต่ในการไหนไหนไม่ทราบมันหายไปเมื่อไร เสร็จแล้วก็เราก็สบายไปแล้วเราก็ยินดีอยู่เพียงแค่ น, นี้นั่นเราเป็นผู้มีพื้นฐานดีควรจะเติมต่อความดีนั้นให้จเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะตามประกอบคุณความดีซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติหรือเป็นปฏิปทาเครื่องดําเนินในการศีลสมาธิปัญญา เมื่อสินสมาธิปัญญามีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแล้วเราพยายามขยันหมั่นเปลียนประกอบให้เกิดขึ้นเป็นส่วนพิเศษส่วนพิเศษนั้นหมายถึงว่าเราสามารถรู้แจ้งในเหตุและผลขนาดที่เราปฏิบัตินั้นไม่ว่าสินสมาธิและปัญญานี่แหละคือวาดคำส อ, สอนของพระพุทธเจา้าเป็นที่รวมลงคำสอนทั้งหลาย เป็นแก่นของพระศาสนาเป็นหัวใจของพระศาสนาตามที่ได้ชี้แจงแสดงสู่กันฟังมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศสตินาโอกาสบัรนี้จะได้นำมงคลขาาัามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็นการ ตรงเสริมเพิ่มเติมบุญกุศลและสัมมาปฏิบัติสำหรับพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่ณนะสถานที่นี้ วันนี้สำหรับวัดของเรา็ น, นวันพิเศษวันหนึง่งและพวกเรา มียาิทอันเป็นส่วนพิเศษขึ้นมาในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำหนึ่งสามตามปกติเราท่านทั้งหลาย ก็ได้มาร่วมชุมลมกันณสถานที่นี้เป็นประจำแต่วันนี้ที่จัดว่าเป็นวันพิเศษตลอดถึงภาค้องการปฏิบัติก็พิเศษไปด้วย วัดโสกรามของเราจำเดิมตั้งแต่ได้ตั้งวัดมาโดยลำลับจนถึงในปัจจุบันคือวันนี้ท่านผูให้กำเนิด สร้างวัดรโสกรรัและให้คำนิดผู้ต้องการปฏิบัติเช่นเราปฏิบัติกันในวันนี้ท่านผู้ ไว้ให้แก่พวกเราได้พากันรักษาดำเนินมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้และก็จะต้องพากันรักษาต่อไปในภายภาคหน้านั้นก็ได้แก่ ท่านพลีพรอมทั่วประเทศของประเทศไทยนั่นก็หมายถึงวัดและสำนักสงฆ์ตลอดที่พักของพระเร น, นทั่วประเทศ หลายเหล่านั้นเขาก็จะถือวความส ำ, วสำคัญในทางพระพุทธศาสนาตลอดถึงบําเพ็ญกรณียกิจกานเป็นส่วนพิเศษยิ่งไปกว่าวันปกติธรรมดาก็มีอยู่เพียงวันเดียวนั่นคือวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันเป็นมาคมามาถือกันเพียงวันเดียวและประกอบกรณีกิจพิเศษก็เพียงวันเดียวไม่ว่าพิ่ษุภิกษุสองคอง์นิลประชาราชด มูเห่าก็ทำกันเพียงวันเดียวแต่วัดของเรานั้นครูบาอาจารย์พรวคือท่านผู้ที่ให้าำนิดพระธรรมบําเพ็ญมาสามวัดในถต่วันสิบสี่คำ สิบห้าคัมและก็วันแลงขั้มหนึ่ในด้ทำมาอย่างนี้เป็นเวลาสามสิบปีเสร็จแล้วตลอดทั้งภาคของการปฏิบัติตลอดถึงเวลาเวลาของการปฏิบัติ รวมปิจวัดให้มีเกิดมีขึ้นในคนของตงึงเวลานั้นก็เพิ่มขึ้นไปด้วยจากปกติเราท่านทั้งหลายก็จะมาร่วมชุมลุมกันในเวลาสองทุ่มหรือ20บนาฬิกาและไปเลิกเอาสี่ทุ่ม หรือยี่สิบสองนาฬิกาแต่วันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเราจึงเพิ่มการเวลาของการปฏิบัติของพวกเราขึ้นมาเป็นยี่สนาฬิกาหรือว่าสี่ชั่วโมงจึงจะหมด เวลาของการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทันทั้งหลายกรณีพิเศษหมายถึงภาของการปฏิบัติเราท่านทั้งหลายก็ได้เลื่อมประทักศิลเพื่อตุดังตุดังก็จะดีตังแตตั้งแต่วันนี้ ด้วยามิสบูชาได้เกลี่ดอกไม้ทุกและเทียนอันนี้เป็นกิริยาบุญเป็นการสแสดงออกบอกถึงความรู้สึกในจิตในใจของเราผู้กระทำทั้งหลายอันกอน่อนี้ความขบรอานึก ถึงซึ่งพระธนัตัยมีประพุทธเจา้าเป็นต้นเป็นประทานมพันแสดงมเป็นบุตรเป็นผู้สเนเพ็ยงเล็กๆ น, น้อยๆเพราะเกิดขึ้นจากการน้อมไปซึ่งอมิตรสบูชาราวคือดอกไม้ทูกเพียนพวกเราท่านทั้งหลาย ก็ไม่ได้ประมาทและบัวเมากล่าวคือปล่อยปละละเลยข้อวันปฏิบัติหรือจารีตประเพณีจริงคริวาอาจารย์ได้พากระช่ำบำเพินมาเกี่ยวคำเล็กน้อยดังกล่าวโดยยอดีเราทันไกลได้กัำบันดา บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วต่อไปนี้เราก็จะได้พากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติบูบช า, นรรนาใน พ, พระธรรมใรได้แก่พระพุทธพระธรรม ราลีสง์ทั้งสามประการนี้เราท่านทั้งหลายนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันสูงสุดบรรดาความสำคัญและสูงสุดที่มีอยู่ในโลกไม่มีสิ่งใด ในมนุษย์โลกเทวโลกพรทมโลกและอื่นนอกจากที่กล่าวนี้ถ้ามีจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดยิ่งไปกว่าปรัชนาใจขึ้นเปรียบเสมือนเงื่งว่าดวงแก้วหรือดวงประทีปอะไรก็แล้วแต่ไปได้เลย เรฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถึงแม้เราจะเป็นเสมือนผู้มืดผู้บอดอยู่ยังไม่รู้ซึ่งถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้า คุณของพระอาลีสังกเจ้าก็ตามเราท่านทั้งหลายก็มีความเชื่อมั่นเที่ยงตรงคงที่ใน p ร, รนา s n a ไสด้วยกันทุกท่านทุกคน สำคัญหรือจะไม่เป็นวันสำคัญก็สามทีพวกเราทันทั้งหลายก็ได้น้อมกายและจิตของตนเพื่อประพุทธพระธรรมประสงค์กล่าวคือปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ อยู่เป็นประจำแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกแต่ประการใดเลยที่พวกเราจะฮีกมเล็กๆ น, น้อยๆกล่าวคือวิ่นเทียนขึ้นพากันวินเทียนพระสักสินพระตุตังกเจีดี เพิ่มเวลาของการอบลมให้มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องหรือสิ่งที่แปลกสำหรับพวกเราเพราะจะเป็นวันสำคัญหรือไม่สำคัญก็ต่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้เลียงเห็นความสำคัญ เฉพาะตนเฉพาะตนมีต่อพระรัตนาตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็มีนาทีที่จำต้องปฏิบัติกายวาจาจิตของเราให้เป็นไปตามแนวทาง หรือในครองของศิลธรรมเป็นประจำอยู่แล้วเพราะเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า